ที่นึกถึงเนี่ยมีจุดมุ่งหมายเพื่อให้เกิดปีติจะนึกถึงศีลนึกถึงทานก็ตามจุดมุ่งหมายที่วางเป็นหลักปฏิบัตินี้ไว้เพื่อให้เกิดปีติเมื่อนึกถึงความดีที่กระทำแล้วเราก็จะเกิดปีติปราโมชขึ้นมาปีติอันนี้แหละที่จะเป็นปัจจัยให้เกิดความสุขเมื่อมีสุขแล้วก็มีความสมบางบท่านทั้งหลายจะสังเกตได้ว่าความสุขนี้ เกิดหลังจากปีติมีความอิ่มใจก่อนแล้วจึงมีความสุขมีความสุขก่อนจึงมีความสงบเพราะเมื่อจิตเป็นสุขแล้วก็ตั้งมั่นอารมย์ย่อมตั้งมั่นได้ง่ายง่ายกว่าจิตที่ไม่เป็นสุขหรือจิตที่ผ่องใสามาดีแล้วย่อมจะตั้งมั่นได้ง่ายกว่าจิตที่เศร้าหมองท่านอุปมาเหมือนกับ สีที่เราจะไปย้อมกับผ้าผ้าสะอาดนั้นยอมสีได้ง่ายสีจับได้ง่ายรวดเร็วแต่ผ้าที่สกปรกนั้นสีจับยากไม่สวยงามพื้นฐานของจิตก็เหมือนกันถ้าจิตของคนเดาเนี่ยบุ้นวายอยู่เสมอเราจะให้ไปนั่งสมาธิไม่ได้หรอกอย่างคนจิตบุ่นบุน้บอกเอ้คุณจิตบุ่นวายแล้วเกินนี่ไปนั่งสมาธิดะสิ ไม่ใช่ปุบ ป, ปับจะไปนั่งให้จิตที่มันวุ่นวุ่นเนี่ยหยุดวุ่นได้เมื่อไรทําไม่ได้หรอกเราจะต้องไปกล่อมกล่าวจิตเสียก่อนไปฝึกฝนจิตก่อนจิตเศร้าหมองแล้วต้องฝึกฝนตั้งแต่ขั้นต้นมาตามลําดับทีเดียวว่าเราจะทําให้จิตเนี่ยหยุดวุ่นวายได้อย่างไรหยุดฟุ้งซ่านได้อย่างไรต้องหาวิธีการหาความแยบคายในใจว่าการที่จะตระรําจิตของเราเนี่ยให้คงที่ไม่ให้มันวุ่นวายมากนัก เราควรจะนึกถึงอย่างไรวางใจอย่างไรเริ่มตั้งแต่ต้นเสียก่อนแล้วค่อยๆฝึกฝนมาตามลำดับจะฝึกแค่แกเนี่ยประกอบกรรมดีสั่งสมบุญอยู่เสมอเอาบุญไปซักฟ่อมาตามลาดับแล้วจึงจะไปสู่ขั้นสมาธินั่นแหละจึงจะได้ผลคนวุ่นวุ่นไม่ใช่ว่าเข้าวัดแล้วจะหยุดวุ่นยังล็อกบางทีกว่าจะหยุดวุ่นตั้งหลายปี มีบางคนไปพาคนจิตวุ่นๆเข้ามาในวัดก็บอกแ yeah ย่เลยสิอย่างนี้ไม่ใช่ว่าพอเข้าแล้วมันก็จะหยุดอุ ป, ปรับจะหยุดไม่ได้หรอกจะต้องใช้การเวลาและก็ต้องใช้วิธีการที่เราจะฝึกฝนอบรมจิตอีกมากมายจิตนั้นจึงจะสงบลงได้เนี่ยห ล, <c oughs> หลักปฏิบัติข้อนี้เป็นพยาน ยืนยันถึงการกระทําของพุทธศาสนิกชนในปัจจุบันนี้ได้เป็นอย่างดีไม่ว่าเราจะบําเพ็ญทานสิ่งใดสิ่งหนึ่งเป็นอารมณ์เนี่ยเราก็ต้องนึกถึงอยู่บ่อยๆทานบางอย่างเราลืมแล้วแต่ว่าถ้ามีคนอื่นมาเตือนให้ให้เรานึกถึงเราก็จะต้องนึกถึงทานที่เราทําเพราะบางทีโยมเนี่ยลืมไปว่าทําอะไรไปบ้างลูกหลานจะต้องมานั่งจรณัยว่า คุณยายเคยสร้างพระประธานคุณยายเคยสร้างโบสถ์เคยสร้างโรงเรียนสร้างโรงพยาบาลอะไรต่างๆเนี่ยต้องนึกถึงอยู่เสมอโยมบางคนที่ต้องข อ, อนมโมทนาบตรไปก็เพื่อที่จะไปติดไว้ที่ฝาจะมาเห็นเบ้าบ้านนิดหลายใบอะไรจะเก็บเก็บเอาไว้เสร็จแล้วบอกว่างๆก็มานั่งดูสทัทีเราได้ทำอะไรไปบ้างทบทวนอย่างนี้ดีมีประโยชน์ ว่าทำบุญแล้วเรามียนุโมธนาบัตรอยู่เราก็มาทบทวนดูว่าเราได้ทำอะไรไปบ้างจะได้นึกถึงได้ถูกว่าสร้างอะไรไปบ้างนี้ทำไปเท่าไรแล้วเป็นประโยชน์อย่างไรเราต้องนึกถึงอยู่บ่อยๆอย่างนี้เป็นจาคานุสติจา้าท่านผู้ที่ปฏิบัติกรรมฐานข้อนี้ต้องเสียสละก่อนเป็นเบื้องต้นแล้วจึงไปปฏิบัติกรรมฐานข้อนี้ได้ ด้วยการหาสถานที่ที่สงบแห่งใดแห่งหนึ่งและเราก็นั่งบริกรรมนึกถึงทานที่เราบริจาคอย่างเวลานี้เราสร้างวิทยาลัยกันมาเป็นรูปเป็นร่างขึ้นมาแล้วถ้าเราจะเจริญจารคานุสติเนี่ยท่านทั้งหลายเป็นนั่งได้เป็นนั่งทําสมาธิที่วิทยาลัยก็ได้วันใดว่างๆไปนั่ง ที่ร่มร่นั่งดูแล้วก็นั่งบริกรรมจากคารู้สติว่าเราเนี่ยได้บริจาคได้สร้างไอ้ น, นั่นสร้างไอ้นี่ก็จะเกิดปิติปราโมทย์ขึ้นหรือเราจะไปสร้างสิ่งใดสิ่งหนึ่งไว้ที่ไหนก็ตามให้เราไปดูบ่อยๆไปเยี่ยมบ่อยๆว่าเออเราได้สร้างอั น, นี่ไว้อย่าไปลืมอย่าเป็นการสร้างทิ้งหรือสร้างปล่อยแต่ว่าทําแล้วเราต้องติดตามดูติดตามดูการการะทําของเราด้วยว่าทําแล้วจะได้ผลอย่างไร มีประโยชน์ใช้สอยมากมายแค่ไหนเนี่ยมันไปดูบ่อยๆแล้วก็จะเป็นเหตุทำให้เกิดบุญเกิดกุศลของเราเนี่ยเพิ่มพูนขึ้นตามลาดับเนี่ยเพราะฉะนั้นการจารึกชื่อผู้บริจาค ก, ก็ดีหรือการทำอะไรให้เป็นอนุสรณ์ในการบริจาค ก, ก็ดีไม่ใช่เพื่อหวังผลในด้านอื่นไม่ใช่อยากดังแต่ว่าเป็นการที่จะให้เป็นจาคานุสติเท่านั้นเอง ไม่ใช่ว่าแหมคนเนี่ยอยากได้ชื่อเสียงอยากมีหน้ามีตาไม่ใช่อย่างนั้นแต่เพื่อให้ผลให้ได้ผลทางด้านจิตใจเพื่อนึกถึงแล้วจะได้เกิดปิติปรามโมทดัง้เราทำอะไรไว้เราก็ต้องมีการจารึกต้องมีการไปดูไปเห็นอยู่บ่อยๆจึงจะเกิดประโยชน์แก่ผู้ที่กระทำ ผู้ที่ทำบุญอยู่เสมอเนี่ยควรที่จะได้ไปอย่างน้อยเราก็ได้ไปเห็นแล้วก็จะได้เป็นภาพนิมิตติดตาเราไว้ถ้าเรานึกถึงอยู่เสมอแม้จิตจะดับรับรองว่าไม่ตกนรกแน่เพราะเราได้นึกถึงทานที่เราบริจาคแล้วจิตนั้นก็ยอมจะผ่องใสเนี่ยการเจริญจาการุสตินี้ก็เหมือนกับคล้ายๆกับสีลานุสติเพราะมุ่งเอาผลที่เราได้ทาลงไปนั้นมาเป็นอารมณ์ นั้นอนุสติข้อเนี้จึงทําไม่ยากไม่ต้องใช้อุปกรณ์อะไรเป็นแต่เพียงว่าอาศัยอารมณ์ที่เราทำเท่านั้นเองถ้าท่านสร้างพระท่านก็ต้องนึกถึงพระพุทธรูปที่ท่านสร้างถ้าท่านสร้างโบสถ์ท่านก็ต้องนึกถึงภาพของโบสถ์ถ้าสร้างโรงเรียนก็นึกถึงโรงเรียนนึกถึงสิ่งที่เราสร้างเอาไว้อย่างไรอย่างหนึง่งส่วนอย่างอื่นที่ไม่เป็นประโยชน์เราอย่าไปนึกถึงสิ่งใดที่ไม่ดีอย่าไปนึกถึงนึกถึงแต่เรื่องดีๆไว้ เมื่อนึกถึงความดีมากจิตก็เป็นบุญเป็นกุศลมากเนี่เป็นการสั่งสมบุญอันหนึ่งด้วยการระลึกถึงที่เรียกว่าจาคานุสติวันนี้ก็ขอพูดเพียงแค่สีรานุสติกับจาคานุสติสองข้อเพื่อเป็นหลักปฏิบัติในอนุสติสิบประการนี้ยังเหลืออนุสติอีก5้าข้อซึ่งบางข้อจะต้องใช้เวลามากเช่นอย่างอนาปานุสติเนี่ย เกี่ยวกับเรื่องการกำหนดลมหายใจซึ่งมีวิธีมากเหลือเกินมากกว่านุสติทุกข้อที่มีอยู่ในสิบข้อนี้สอัตมาจะต้องอธิบายในการเจริญอานาปานสติเนี่ยโดยละเอียดบางทีจะต้องใช้เวลาหลายอาทิตย์คิดว่าจะเป็นประโยชน์แก่ท่านที่สนใจในด้านการเจริญอาณาปานสติก ร, รมฐานด้วยเพราะปัจจุบันนี้ก็มีการปฏิบัติกันมาก แต่ว่าบางทีเราก็ปฏิบัติกันไม่ถูกต้องนะักตามหลักที่ท่านได้วางไว้ในคำภีร์พระวิสุทธิมรรคและก็ในปฏิสัมพิ ธ, ธามรรคเราจะได้ศึกษาถึงอนาปานสติกรรมฐานเนี่ยกันอีกต่อไปวันนี้ก็จบอนุสติหข้อแล้วเหลืออนุสติอีกห้าข้อที่เราจะได้ศึกษากันขอขอบใจทุกท่านที่ได้เสียสละมาะในวันนี้ ท่านสาธุชนทั้งหลายการบรรยายวิสุทธิทมรรคในวันนี้จะได้บรรยายในอนุสติข้อต่อไปเมื่ออาทิตย์ก่อนได้พูดถึงอนุสติข้อจาคาอนุสติให้ท่านทั้งหลายได้ทราบไปแล้ว ในวันนี้จะได้พูดถึงเทวตานุสติซึ่งเป็นอนุสติที่หกในบรรดานุสติสิบประการนั้นในเทวตานุสตินี้มีปัญหาที่ท่านทั้งหลายจะต้องทำความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องหลักปฏิบัติข้อนี้ไว้เสียก่อนเป็นเบื้องต้นก็คือเรื่องของเทวดา เพราะคำว่าเทวตานุสตินั้นพระพุทธองค์ได้ตรัสสอนให้เราเอาสติระลึกถึงเทวดาเป็นอารมณ์เพราะว่าอุปาทานเกี่ยวกับเรื่องของเทวดาที่มนุษย์มีอยู่นั้นยังไม่ค่อยจะถูกต้องนัดบางทีเราก็มองเทวดาว่าเป็นเรื่องเหลวไหลไราสาระ ที่เราจะยึดถือเอามาเป็นหลักปฏิบัติบางทีก็มองเทวดาว่าเป็นเรื่องนอกพระพุทธศาสนาไปไม่เห็นจะเกี่ยวอะไรกันกับพระพุทธศาสนาเลยอะไรทํานองเนี้จนกระทั่งมีหลายท่านในการชักชวนมนุษย์ให้เป็นศัตรูกับเทวดาก็มีอยู่เรื่องเช่นนี้เป็นเรื่องที่เราไม่เข้าใจ ในหลักพระพุทธศาสนาที่ถูกต้องว่าเทวดานั้นเข้ามายุ่งเกี่ยวกับพระพุทธศาสนาเนี่ยในลักษณะไหนอย่างไรเราควรจะศึกษาและถือเอาเป็นสารประโยชน์อย่างไรบ้างเพราะเรื่องของเทวดากับพุทธศาสนิกชนนี้เป็นเรื่องที่แยกออกจากกันไม่ได้เกือบจะไม่ได้เพราะหลายหลายบ้าน ก็ยังบูชาสารพระภูมิกันอยู่เพราะฉะนั้นเรื่องของเทวดาที่เข้ามามีส่วนพัวพันกับพระพุทธศาสนาอย่างไรนี้คิดว่าผู้ที่ได้ศึกษาถึงพุทธประวัติหรือประวัติศาสตร์ทางพระพุทธศาสนามาตลอดจนคำพีพระไตรปิฎกคงจะหมดข้อข้องใจ ว่าเทวดานั้นถ้ามีส่วนผัวพันกับพระพุทธศาสนาได้อย่างไรเพราะว่าตั้งแต่สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้ายัางสมัยในสมัยที่เป็นพระโพธิสัตว์อยู่ก่อนที่จะมาประสูตนในนครกบิลพัทก็มีเรื่องเทวดาเข้าไปเกี่ยวข้องเพราะว่าก่อนที่พระพุทธองค์จะจุติมาปฏิสนธิในโลกมนุษย์นี้พระองค์เป็นเทวดามาก่อน คือเกิดอยู่บนชั้นดาวดึงอาชั้นดุสิตชั้นดุสิตนี้เป็นเทวโลกชั้นที่สี่ชั้นที่หนึ่งะคือชั้นจาตุมหาราชชั้นที่สองดาวดึงชั้นที่สามยามาชั้นที่สี่ดุสิตชั้นที่ห้านิมมาน德拉ดีชั้นที่หกนิมมาวสวัตตีอ่าปรานิมมิตวัสวัตตีเป็นชั้นที่หกรวมเป็นหกชั้น สำหรับชั้นที่สี่นี้เป็นที่อยู่ของผู้ที่อธิษฐานจิตปรารนาโพธิยานคือพระโพธิสัตว์จะไปเกิดในภูมินี้ก่อนตลอดจนผู้ที่อธิษฐานจิตเป็นพระปจเจกพุทธเจ้าเป็นสาวกเป็นอกรสาวกซ้ายขวาเป็นพุทธมารดาพุทธบิดาพุทธสาวกจะต้องไปเกิดในชั้นดุสิตนี้ เมื่อจุติจากโลกมนุษย์คือตายจากโลกมนุษย์นี้ไปแล้วก็จะได้เกิดในชั้นนี้เรียกว่าชั้นดุสิตในบรรดาเทวดาสี่ชั้นนั้นเทวดาชั้นดุสิตส่วนมากแล้วเป็นที่ชุมนุมของเทพประเภทที่มีจิตปรารถนาโภธิญานเพิงสิน้นฉะนั้นเทพที่อยู่ในภูมินี้ไม่ได้ตั้งตอนอยู่ในความประมาทมัวเมาเหมือนกับเทวดาชั้นอื่นๆ น, นี่ทางคำภีรพระไตรปิฎกก็ว่าไว้อย่างนั้น โดยชัดแจ้งพระพุทธองค์ก่อนที่จะมาปฏิสนธิในโลกมนุษย์ก็เกิดเป็นเทวดาชั้นดุสิตนี้ก่อนและก่อนที่จะจุติมานั้นท้าสกรินเทวราชนี้ก็ได้ไปทูลอารัธนาให้จุติมาปฏิสนธิในโลกมนุษย์ <c oughs> เพื่อขจัดความทุกข์ยากต่างๆในโลกมนุษย์นี่ให้หมดไปจึงได้จุติจากดุสิตมาปฏิสนธิในนครกบิลพัดแม้แต่การที่จุติ มาปฏิสนธิในพระคันของพระมารดาขณะที่ประสูติออกจากพระคัญที่รุมพินีวันนั้นก็มีเรื่องเทวดาเข้ามาเกี่ยวข้องว่าพระนางสตรีมหามายา น, นั้นไม่ได้คลอดบุตรเหมือนกับสามัญสตรีทั่ ว, วไปแต่ว่านางยืนคลอดพร้อมทั้งเทวดาก็ได้นาน้าร้อนน้าเย็นมาสงสนานพระวรากายของพระโพธิสัตว์เนี่ยจนสะอาดสะอ้าน ไม่เหมือนกับการเกิดของบรรดาสามัญยสัตว์ทั่วไปนี่เป็นเรื่องของพระโพธิสัตว์เมื่อได้ประสูตดออกมาแล้วแม้ตอนที่เสด็จประาพาสพระราชอุทยานเกี่ยวกับเรื่องของเทวทูตสี่ก็มีเทวดาเข้ามาผัวพันว่าเทวทูตสี่นั้นแท้ที่จริงก็คือเทวดาจำแรงรูปมาเตือนจิตของพระโพธิสัตว์ ให้ออกบวชเพื่อสแสวงหาโมคตธรรมในการที่จะสแสวงหาทางแห่งความ้นทุกข์มาให้แก่เวนยสัตว์เทวดาก็มาจําแรงเป็นเทวทูตสี่เตือนเตือนพระโพธิสัตว์มิให้หลงบัวเมาอยู่ในกามสุขเพื่อที่จะได้สละราชสมบัติและความสุขทางกามออกบวชเพื่อสแสวงหาโมคตธรรมในขณะที่บําเพ็ญธรรมบําเพ็ญทุกรกระตุ RIA <c oughs> ก่อนจะตรัสรู้ก็มีเทวดาเข้ามาพัวพันุ์อีกเมื่อตรัสรู้แล้วก็มีเทวดาเข้ามาพัวพันเพราะก่อนจะตรัสรู้นั้นตากฏว่ามีพญามารเรียกว่าพญา ว, วัสวัตดีมารก็คือเทวดาชั้นปานิมมิตะ ว, ะวัสวัตีนีเองที่เป็นมิจฉาทิฐิเข้ามากลั่นแกล้งขัดขวางการบําเพ็ญสมณธรรมของพระพุทธองค์แต่พระองค์ก็ได้ทรงเอาชนะมารเหล่านี้ได้ แม้ว่าพระยาวัสวัตดีมานจะส่งที่ดามานทั้งสามซึ่งสวยอย่างที่สุดมาล่อลวงให้พระโพธิสัตว์นี้เกิดความคลั่งไคล้ไหลหลงก็หาได้ติดอยู่ไม่เนี่ยแสดงให้เห็นว่าเทวดา น, นั้นเข้ามีส่วนพัวพันมาโดยตลอดจนกระทั่งตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าแล้วเมื่อตรัสรู้แล้วก่อนที่จะประกาศพระพุทธศาสนาก็มีท้าสหัมบดีพรมมาทูลอาราธนาเสียอีกมีพรมเข้ามา มีส่วนปัวพันจึงได้ตัดสินทระไทยประกาศพระพุทธศาสนาระหว่างที่ประกาศพระพุทธศาสนานั้นพุทธกิจอย่างหนึ่งที่จะต้องทรงปฏิบัติเป็นประจำวันก็คือแก้ปัญหาเทวดาตอนเที่ยงคืนจะต้องแก้ปัญหาเทวดาทุกคืนและปัญหาของเทวดาที่มาทูลถามพระพุทธองค์นั้นก็มีหลักฐานปรากฏอยู่ในคัมภีร์พระสุตตันตปิฎกโดยเฉพาะในคัมภีร์ สังยุตตนิกายสขวรติจะมีปัญหาของเทวดาเป็นส่วนมากมาทูลถามพระพุทธเจ้าเรื่องราวของเทวดาที่เข้ามามีส่วนผัวพันกับพระพุทธศาสนานั้นก็เข้ามาในลักษณะนี้แต่ว่าฐานะของเทวดาที่มีตอบพระพุทธศาสนาอย่างไรนั้นท่านทั้งหลายที่ศึกษาพระพุทธศาสนาด้วยความละเอียดละออแล้วท่านจะเห็นว่าฐานะของเทวดาที่เข้ามา มีส่วนเกี่ยวข้องกับพระพุทธศาสนานั้นก็ไม่ต่างอะไรกับอุบาสกและอุบาสิกาทั้งหลายอุบาสกอุบาสิกาทั้งหลายเรามีส่วนผัวพันอยู่กับพระพุทธศาสนานอย่างไรเทวดาก็มีส่วนอย่างนั้นม่ใช่เข้ามาในฐา น, นะที่ยิ่งใหญ่กว่าพระพุทธเจ้าหรือในฐา น, นะที่จะปลดเปื่องทุกบรรดาความสำเร็จใดๆให้แก่พุทธศาสนกชนทั้งสิน้น แต่ว่าเข้ามามีส่วนผัวพันกับพระพุทธศาสนาในฐานะที่เทวดาก็เป็นอุบาสกนับถือพระพุทธเจ้าองค์หนึ่งเหมือนกันเป็นอุบาสิ ก, กาที่นับถือพระพุทธเจ้าเหมือนกันเพราะฉะนั้นเทวดาที่มีต่อพระพุทธศาสนาเนี่ยก็เหมือนกับเป็นพุทธบริสัท์แม้แต่พระพุทธองค์ก็ยังได้รับขนานนามว่าเป็นสัทถาเทวมนุษสานางัง คือเป็นศาสดาของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายอย่างนี้เป็นต้นแล้วเราจะกล่าวว่าเรื่องของเทวดานั้นเป็นเรื่องนอกพระพุทธศาสนาได้อย่างไรในเมื่อหลักฐานก็มีปรากฏเข้ามามีส่วนผัวพันอย่างนี้ฐานะของเทวดาที่เข้ามาพัวพันกับพระพุทธศาสนานั้นก็ไม่ต่างอะไรกับฐานะของอุบาสกและอุบาสิกาหรือฐานะของผู้ที่สนใจเลื่อมใสในพระพุทธศาสนา ธรรมะบางข้อเทวดาก็ไม่รู้เทวดาก็มาทูลถามพระพุทธเจ้ามนุษย์บางคนเสีอีกรู้ธรรมะแต่เทวดาบางคนไม่รู้ธรรมะก็มีและเทวดานั้นก็ไม่ใช่ว่าจะเป็นผู้ที่มีคุณธรรมสูงส่งเสมอไปก็หาไม่เทวดาที่เป็นอันธพาลก็มีเทวดาที่เป็นมิชาทิฐิก็มีเหมือนกันกับมนุษย์มนุษย์ดีก็มีมนุษย ที่เป็นบัณฑิตก็มีเป็นอันตถานก็มีฉะนนเรื่องของเทวดากับเรื่องของพระพุทธศาสนานี้ถ้าหากว่าเราได้ศึกษากันโดยละเอียดได้ความถีถ่ทั่วแล้วเราจะเห็นว่ามีส่วนพัวพันธุ์มาโดยตลอดและฐานะของเทวดาที่เข้ามามีส่วนพัวพันธุ์นั้นไม่ใช่เข้ามาในฐานะเป็นผู้วิเศษแต่อย่างใดเหมือนกับเป็นอุบาสกอุบาสิกานี่เองหรือเป็นพุทธบริษัทนี่เอง เพราะฉะนั้นเพียงแค่นี้ก็คิดว่าเราไม่ควรที่จะรังเกียจเดียดฉันเทวดาแล้วไม่ใช่หรือว่าเทวดานั้นไม่ควรจะมายุ่งเกี่ยวกับพระพุทธศาสนาเพราะว่าเขาไม่ได้มาทําความเสียหายอะไรให้เกิดพระพุทธศาสนาแต่ว่าตรงกันข้ามเขามาในฐานะที่เขาเป็นพุทธบริษัทแล้วก็มีหน้าที่ที่จะเข้ามาศึกษาและปฏิบัติธรรมะเพื่อบรรลุมรรคผลเหมือนกัน บางอย่างเทวดาก็ช่วยไว้มากเทวดาเสอีกดังได้ช่วยพิทักษ์รักษาพระพุทธศาสนาไว้ได้เช่นอย่างเทวดาที่มีอยู่ประจําตามปูชินีสถานต่างๆตามพระพุทธรูปองค์สําคัญสําคัญที่เราบูชากันอยู่ทั่วประเทศไทยเวลานี้ก็มีเทวดารักษาอยู่ทั้งนั้นไม่ใช่เป็นความศักดิ์สิทธิ์ของพระพุทธเจ้าที่จะมันนั่งบอกใบ้หวยเบอร์หรือว่ามาบอกเซียมซีของเราที่ไปสั่นเซียมซีอยู่ ไม่ใช่หมายความว่าพระพุทธเจ้าจะจำแรงมาในรูปของหลวงพ่อโสธรแล้วก็มาบอกใบว่าเต็มซีใบนั้นใบนั้นเป็นอย่างนั้นอย่างนั้นหรือไม่ใช่ว่าพระพุทธเจ้าจะมาอยู่ในฐา น, นะเป็นหลวงพ่อแก้วมาคอยให้เราไปสั่นเีมสีสั่นติ้วเสี่ยงทายหรือหลวงพ่อบรรแหลมหลวงพ่อพุทธชินาราชหลวงพ่อพระพุทธชินสีอะไรต่างๆมากมายอย่างนี้ซึ่งก็มีหลายหลวงพ่อ แต่แท้ที่จริงแล้วก็คือพระพุทธรูปนั่นเองแล้วก็พระพุทธเจ้าท่านก็เปนิพพานไปแล้วแต่ทำไมปูชีสถานต่างๆหรือพระพุทธรูปองค์สาคัญสำคัญเหล่านี้จึงศักดิ์สิทธิ์ที่ศักดิ์สิทธิ์ที่เรานับถือกันนั้นก็เพราะว่ามีเทวดารักษาอยู่เทวดาต่างหากเป็นผู้ที่ทำหน้าที่เพราะว่าเทวดานั้นเป็นพุทธบริษัท เพราะฉะนั้นพระพุทธรูปบางองค์เนี่ยคนไปประทุษร้ายไม่ได้ถ้ามีเทวดารักษาที่เรากล่าวว่าพระพุทธรูปองค์สาคัญองค์นั้นองค์นี้ถูกรักถูกขโมยก็คงจะเป็นเพราะว่าเทวดาที่รักษานั้นแกอาจจะนอนหลับไปหรือว่าจะเผลอใสไปก็ได้คนก็เลยมาขโมยเอาไปแต่โดยปกติถ้าเทวดาไม่นอนหลับไม่เผลอก็คิดว่าคงจะเอาไม่ได้ เพราะฉะนั้นเรื่องเทวดาที่รักษาพระพุทธรูปเนี่ยจึงทําให้พระพุทธรูปเนี่ยศักดิ์สิทธิบ์บรรดาลความสําเร็จต่างๆไม่ใช่พระพุทธเจ้ามาทําหน้าที่อย่างนั้นพระพุทธเจ้านะท่านประนิพานไปแล้วขันห้าไม่มีเกิดขึ้นอีกแล้วในภพภูมิไหนหนแต่ที่พระท่านศักดิ์สิทธิ์เนี่ยก็ด้วยอํานาจของเทวดาแม้กระทั่งเจดีย์สถานต่างๆฉะนั้นเรื่องเนี้ยคิดว่า มนุษย์ทั้งหลายจึงไม่ควรที่จะเป็นศัตรูกับเทวดาอย่างน้อยก็ผูกมิตรเอาไว้ในฐานะที่เป็นเพื่อนร่วมเกิดแก่เจ็บตายเหมือนกันสัตว์ที่เกิดเป็นเทวดานั้นก็หาได้ปฏิสนธิด้วยจิตที่สูงไปกว่ามนุษย์ไม่ปฏิสนธิด้วยจิตที่เป็นมหาวิบากเหมือนกันเพราะฉะนั้นในเทวตานุสตินี้แหละที่จะทาความเข้าใจในเรื่องนี้ให้แก่เราก่อนที่เราจะถือเอา หลักวิธีนี้เป็นหลักปฏิบัตินั้นจึงขอทำความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องเทวดากับเราทุกคนไว้เสียก่อนถ้าหากว่าเราจะเป็นศัตรูก็อย่าเพิ่งเป็นศัตรูกับเทวดาคิดว่าเป็นเพื่อนของเรา เ, เป็นเพื่อนร่วมบ้านที่เราเจียดเนื้อที่ให้ซักศอกหนึ่งสองสอกให้เทวดาอยู่นั้นก็ไม่ต้องไปเสียดายเพราะว่าบางวันเราไม่ได้อยู่บ้านเราก็ฝากบ้านไว้กับเทวดา ขโมยจะเข้าไปจะไหม้บางทีเทวดาก็ช่วยได้เหมือนกันแต mm. ่อย่าไปเสียดายเลย mm. คิดว่าดีกว่าเลี้ยงสุนัขเอาไว้เพราะสุนัขมันยังถ่ายมูลลดเลอะเทอะยังจะต้องให้ข้าวกินทุกวัน เ, เราปลูกสารพระภูไม่เทวดาท่านอยู่ไม่ได้ไปเสียค่าเช่าอะไรแล้วก็ไม่ได้จะต้องไปเสียค่าบมรุงอะไรมากมายนัก mm. ก็้า น, านได้ความเสียหายก็ไม่เสียหายอะไรมาก เว้นไว้แต่ว่าจะทํากันพิสดารจนกระทั่งเป็นสินค้าตั้งสามพระพรูมทีก็เป็นหมื่นๆแสนแสนอันนั้นก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งซึ่งก็ไม่สมควรเทวดาท่านไม่ได้อยู่กินเนื้อที่มากหรอกเพราะว่าร่างของท่านเป็นทิพย์ไม่เหมือนกับมนุษย์มนุษย์เนี่ยกินเนื้อที่แต่เทวดาไม่กินเนื้อที่อย่างขณะดนี้ท่านทั้งหลายมานั่งฟังในเนี้ประมาณสักสองสามร้อยคนหรือในตําหนักเนี่ยเรานั่งได้เต็มที่ได้ถึงห้าร้อยคน แต่เทวดาอาจจะมาตั้งห้าโกรธห้าร้อยล้านคนก็ไม่กินเนื้อที่ทั้งไม่ต้องเปลืองเก้าอี้นั่งด้วยมาได้อย่างสบายเลยเวลานี้อาจจะมาตั้งเยอะแยะมากกว่าท่านก็ได้แต่เรามองไม่เห็นเพราะว่าเทวดานั้นมีรูปร่างเป็นทิพย์อาจจะมาฟังธรรมะบ้างก็ได้และทุกๆครั้งที่เราจะเจริญพระปริศตเนี่ยเราก็ชุมนุมเทวดาก่อนสแสดงว่าเทวดากับพระพุทธศาสนาเนี่ยแยกออกจากกันไม่ได้ และตมาก็ยังเห็นว่าไม่ควรจะไปแยกเพราะว่าเทวดาก็เป็นพุทธบริษัทเหมือนกันเว้นไว้แต่บางท่านที่ไม่เข้าใจฐานะของเทวดาก็เลยคิดว่าอะไรอะไรเทวดาก็จะช่วยได้ทั้งหมดแม้แต่กระทั่งความดับทุกข์ให้แก่ตัวเองว่าเทวดาก็ช่วยได้อันนั้นช่วยไม่ได้หรือบางครั้งเราประกอบกรรมทําชั่วอะไรขึ้นมาจะต้องได้รับผลแห่งการกระทานั้นเทวดาก็ช่วยไม่ได้อีกเพราะว่าอันนั้นเป็นเรื่องของกรรม ซึ่งเราเป็นผู้มาทำเองก็ต้องรับเองเทวดาจะมารับหรือปลดเปื้องแทนเรานั้นหาได้ไม่เนี่ยเพราะฉะนั้น <c oughs> เรื่องของเทวดานี่เราต้องทําความเข้าใจไว้ในเบื้องต้นนี้ฉะนั้นการแสดงถึงเรื่องของเทวดาพระพุทธองค์จึงได้ตรัสให้เราได้เข้าใจถึงประเภทของเทวดาในอังคุตระิกายติกานิบาตถ้าได้แสดงถึงประเภทเทวดาไว้มีอยู่สามประเภทด้วยกัน เพื่อให้เราได้เข้าใจว่าเทวดาประเภทไหนเป็นอย่างไรเทวดาประเภ ท, ทหนึ่งเรียกว่าสมุติเทวดาหรือสมุติเทวะแปลตามศัพท์ก็แปลว่ า, เท ว, าเทวดาโดยสมุติเทวดาโดยสมุิเนี่ยได้แก่ใครท่านอาธิบายว่าเทวดาโดยสมุตินี้ได้แก่กษัตริย์และพระราชนี แต่ว่าผู้ที่เกิดมาเป็นกษัตริย์นั้นน่ะก็มีฐานะเหมือนกับเป็นเทวดาแต่เป็นเทวดาโดยสมมุติเรียกว่าสมมติติเทวะประเภทที่สองเรียกว่าอุปติเทวดาแปลว่าเทวดาโดยอุบัติหรือเทวดาแท้ๆก็คือผู้ที่เกิดเป็นเทวดาได้แก่เทวดาที่อยู่ในชั้นจาตุมหาราชชั้นดาวดึงยามาดุกสิตนิมมาดราดีปรนิมิตวสวัตีทั้งหกชั้นนี้ เรียกว่าอุปัติเทวดาเทวดาประเภทที่สามเรียกว่าวิสุทธิเทวดาวิสุทธิเทวดานี้แปลว่าเทวดาผู้บริสุทธิ์ได้แก่ใครก็ได้แก่พระอรหันต์บบุคคลหรือผู้ที่ยังอาสวะให้สิ้นสุดลงหมดแล้วยังราคะโทสะโมหะให้ดับหมดแล้วก็เป็นเทวดาเรียกว่าวิสุทธิเทวดาแปลว่าเทวดาที่บริสุทธิ์ เนี่ยเทวดาจึงมีอยู่สามประเภทใครจะตีความไปอย่างไรก็ไม่พ้นในสามประเภทนี้และเทวดาอีกประเภทหนึ่งก็คือเทวดาโดยคุณธรรมฉะนั้นในเทวตารุสตินี้ที่ว่าให้เราเอาจิตนึกถึงเทวดาเป็นอารมณ์นั้นนึกถึงอย่างไรคำว่านึกถึงในที่นี้ไม่ใช่หมายความว่า เมื่อเรานึกถึงเทวดาแล้วเทวดานั้นจะช่วยเราได้ทุกอย่างหรือยึดเอาเทวดาเนี่ยเป็นสรณะที่พึ่งไม่ใช่อย่างนั้นแต่การให้นึกถึงเทวดาเป็นอารมณ์ในที่นี้หมายถึงให้นึกถึงในฐานะที่เทวดานั้นมีคุณธรรมอย่างไรจึงได้เกิดมาเป็นเทวดาแล้วเราซึ่งเป็นผู้ปฏิบัติธรรมนั้นก็ควรที่จะได้ปลูกฝังคุณธรรมเช่นนั้น ให้เกิดขึ้นในตนในการที่จะปฏิบัติให้ไปมีคุณธรรมเทียมเท่ากับเทวดาได้ฉะนั้นในเทวตานุสตินี้การระลึกถึงเทวดาเป็นอารมณ์เนี่ยเพียงแต่ว่าท่านให้เราเอาเทวดานี้มาตั้งไว้ในฐานะเป็นพยานมาตั้งไว้ในฐานะเป็นพยานพยานในที่นี้หมายถึงพยานอะไร พยานในที่เนี้หมายถึงพยานของกุศลธรรมหรือพยานของคุณธรรมที่มีอยู่ว่าเทวดานั้นประกอบด้วยคุณธรรมอย่างไรเราก็เอาเทวดานี้มาตั้งไว้ในฐานะที่เป็นพยานว่าเทวดานประกอบด้วยคุณธรรมอะไรไม่ใช่หมายความว่ามาตั้งอยู่ในฐานะเป็นผู้ปลดเปลื้องทุกข์เป็นผู้ไถ่บาปอะไรต่างๆเหมือนกับาศาสนาฝ่ายเทวนิยมที่อุปรโลกเทวดาไปเป็นเทพเจ้า อย่างเนี้ยเพราะฉะนั้นการที่เราจะนึกถึงเทวดาเป็นอารมณ์ในที่นี้เพียงแต่เอามาตั้งไว้ในฐานะที่เป็นพยานเป็นพยานในที่เนี้ยอย่างไรเป็นพยานในที่นี้ก็คือเทวดาที่จะเกิดขึ้นได้เป็นอุปติเทวะนั้นประกอบด้วยคุณธรรมอะไรบ้างท่านกล่าวว่าผู้ที่ถึงพร้อมด้วยศรัทธา ศีล ส, สุตตจาระปัญญาแล้วก็มีโอกาสเกิดเป็นเทวดาได้ทั้งสิ้นศรัทธาในที่เนี้หมายถึงความเชื่อความเลื่อมใสต่อพระรัตนตรยัยเช่นเราเชื่อว่าพระพุทธเจ้าตรัสรู้อริยสัจสีได้จริงเราเชื่อว่าทำดีต้องได้ดีทำชั่วต้องได้ชั่วเชื่อในการตรัสรู้ของพระพุทธองค์อย่างเนี้ยเรียกว่าเป็นผู้มีศรัทธา เชื่อในการกระทาในผลแห่งการกระทาเรามีความเชื่อมั่นอย่างนี้ก็แสดงว่าเราเนี่ยเป็นผู้มีศรัทธาแล้วมีศีลก็หมายถึงเรามีความสะอาดกายและสะอาดวาจาจะเป็นศีลห้าศีลแปดศีลสิบก็ตามก็ชื่อว่าเราเป็นผู้มีศีลแล้วที่ว่ามีสุต่านคือเราเป็นผู้ที่มันสดับมันสดับตรับฟัง สุตตะในที่นี้หมายถึงความเป็นผู้คงแก่เรียนเรามีการศึกษามามากเรามีการสดับตรับฟังได้ยินได้ฟังมามากอย่างเนี้เรียกว่าเป็นผู้ที่มีสุตตะจากกะก็คือเป็นผู้ที่มีความเสียสละเราไม่ใช่เป็นคนตรดีเห็นแก่ตัวเห็นแก่